สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหวัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคำอุปมาตอนที่เจ็ดเรื่องขุมทัพย์ที่ซ่อนอยู่โจนะของพระเจ้าในี่เช้าวันนี้อยู่ในพระท็ทมำมัดผิวบทที่สิบสามข้อที่สี่สิบสี่ครับมัดผิวบทที่สิบสามข้อที่สี่สิบสี่ครับโปรดฟังโคจนะกของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทัพย์ซ่อนไว้ในทุ่ ง, งานาเมื่อมีผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสีย แต่เพราะความปรีดีจึงไปขายสรัพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับแผนินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทับซ่อนไว้ในทุงงน่งนาเมื่อมีคู่ได้แล้วก็กลับซ่อนเสียอีกแต่เพราะความปรีดีจึงไปขายทรรพย์สินซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นนี่นะครับพระเจนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็เป็นตอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคําอุปมา และ เ, เราทราบนะครับว่าขณะที่พระเยซูทรงสอนทําอุปมาที่ทุ่งราบตรงประทับอยู่ในเรือครับที่ริมฝั่งทะเลพระเยซูทรงสอนประชาชนเกี่ยวกับอุ๊ประมาเรื่องเมล็ดผักกาดและเชื้อขนมที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเมื่อสองวันที่แล้วหลังจากที่พระเยซูทรงสอนเสร็จแล้วนะครับในข้อสามที่หกครับในข้อสามที่หกของพระธรรมกิบบทที่สิบสามครับ แล้วพระเยซูก็เสด็จไปจากคนเหล่านั้นเข้าไปในเรือนพวกสา ว, วกเอาเข้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจกับอุปมาที่ว่าด้วยข้าวละมานในงานนั้นพระองค์ตรัสตอบว่าผู้หว่านเมล็ดดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และงานนั้นก็ได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์แต่ข้าวละมานนั้นได้แก่พลเมืองของมารร้าย ศัตรูผู้หว่านมาเมล็ดคือชั่วได้แก่มาและดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ผู้สวรรค์เหตุฉะนั้นเขาเกี่ยวเข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุค ก, ก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับตรงนี้ได้พูดถึงเรื่องพระเยซูเสด็จไปเข้าไปในเรือนเรือนนั้นเป็นเรือนของไทยครับเรือนนั้นก็เป็นเรือนของเปโตนั่นเองบ้านของเปโต น, นะครับอยู่ใกล้ทะเลสาบกาลิลี ที่เมืองคาปอร์นาอุมเมืองคาปอร์นาอูมนั้นเป็นเมืองที่พระเยซูได้ทรงใช้เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการฐานปฏิบัติการในการเทศนาสั่งสอนในการปฎิบัติมวลชนนะครับในปัจจุบันนี้ผู้ท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอิสราเอลก็ยังสามารถเห็นรากฐานของสถานที่นี้ได้จริงนะครับเมื่อสองสาอาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเดินตามรอยพระบาทพระเยซูที่ประเทศอิสราเอลก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมครับเยี่ยมชม ที่เป็นบ้านของเปโตนะครับบางคนก็บอกว่านี่คือบ้านของแม่ยายเกโตนะจะเป็นบ้านของเปโตหรือบ้านของแม่ยายแม่ยาเปโตเราพบว่าเป็นบ้านที่มีหินล้อมรอบนะครับคนในสมัยโบราณนั้นสร้างบ้านด้วยหินนั้นเราจะเห็นถึงรากฐานของบ้านบ้านของแม่ยายเปโต้บ้านของเปโตนั้นก็อยู่ห่างจากธรรมสาราหรือที่เรียกว่าชินนอกนะครับ ในสมัยโบราณ น, นั้นเพียงไม่ถึงสามสิบเมตรก็ถึงชินกอกแล้วครับก็แสดงว่าอยู่ใกล้กันมากเมื่อเราเข้าไปเยี่ยมชมเราได้เห็นถึงสภาพของบ้านนะครับในสมัยของพระเยซูเป็นบ้านโบราณ น, นะครับและเราก็เห็นถึงชุมชนโบราณที่เขาสร้างอยู่รอบๆธรรมสาราจะมีชุมชนที่เต็มไปด้วย การทำมาค้าขายมีบ้านที่เหมือนกับเป็นโรงแรมเล็กๆองเตี้ยมมีรารขายของชำ ม, มีการทำเหล้าอางุ่นน้ำมันมะกอกนะครับมีบ่อย่อาองุ่นนี่นครับนี่คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชาวยิวในสมัยโบราณคาปโนอุม น, นั้นเป็นเมืองใหญ่ครับ เป็นเมืองที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาและเป็นเมืองที่มีหลายวัฒนธรรมนะครับในสมัยนั้นพระเยซูประทับอยู่ในเรือนของปเปโตแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระเยซูเสด็จเข้าไปพร้อมกับเหล่าสาวกในวันนั้นอย่างไรก็ตามครับโครงก็ยังไม่เสร็จสิ้นกันถั่งสอนเขาทั้งหลายก็ขอให้พระเยซูอธิบายคาอุปมาเรื่องเข้าวสาลีและข้าวอร์มาน ซึ่งผมได้อ่านจากโฆษณาของพระเจ้าให้พวกท่านได้ฟังแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ตลัสต่อไปว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้อยู่ในานาเมื่อมีคนพบแล้วก็กลับเอาไปซ่อนี่อีกคนที่พบและเขาเอาไปซ่อนมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่เขาจะกลับไปซื้อนานั้นเพื่อที่จะครอบครองขุมทรัพย์นั้น พระที่บอกว่าผู้ที่ได้พบหรือผู้ที่เจอกลุ่มซักนั้นก็มีความยินดีปรีดาเป็นอย่างมากคําสอนจากคําอุมมานี้ทําให้เรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดครับสูงสุดสมควรแก่การแลกมาด้วยหรือได้มาด้วยการเสียสละสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่นี่บอกว่าด้วยความปรีดี จึงไปขายสปปรัพย์สิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นเดียร์ครับความปรียบของการค้ น, คนพบขุมทรัพย์นี้ก็ถูกกล่าวย้ําไว้ว่าสูงสุดนะครับขายของทุกอย่างที่เขามีอยู่เพื่อที่จะได้มาซึ่งแผ่นดินสวรรค์นั่นเองในสมัยนั้นคนเราใช้พื้นดินเป็นเสมือนสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บสิ่งของที่มีค่าครับเก็บ สิ่งของที่มีค่าไม่ว่าจะเป็น แ, วแหวนเงินทองไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับเขาทั้งหลายจะต้องสมวนไว้ในเวลาที่มีศัตรูมาลุกลามคนก็จะต้องรีบเอาของที่มีค่าซ่อนไว้ใต้ดินฝังไว้ใต้ดินครับเราจะเห็น <Okay. S 1> นะครับว่าถ้าคนที่ได้หนึ่งตะลันซึ่งเป็นคำอุปมาอีกอุปมาหนึ่งของพระเยซูถ้าที่ได้ห้าตะลันเขาก็เอาไป ทา ม, มาทา้าขายได้มาห้าตารางธาตที่ได้สองตารางก็ไปทํามาทา่าขายได้สองตารางธาตที่มีหนึ่งตารางเขาเอาไปฝังดินครับเห็นครับนี่คือสอดคล้องกับความเห็นที่ว่าคนโบราณนั้นเขาเก็บเงินไว้ใต้ดินเก็บทรัพย์สมบัติไว้ใต้ดินดนะครับบางครั้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้อาจจะมีการสูญหายได้ด้วยเหตุผลอย่างไดอย่างอนึ่งอาจจะเป็นเหตุผลของเจ้าของทรัพย์เอง หรือเหตุผลอื่นๆหรือแม้กระทั่งคำสอนของเยซูบอกว่ามีแมลงนะครับก็จะทำลายเสียได้มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้นี่คือทรัพย์สมบัติครับที่ฝังหยิงเป็นไปได้ครับที่คนคนนี้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนั้นได้ทำการไถานานะครับไถกรวย น, นาที่เขาเช่าไว้นั้น และได้พบกุ่มซัพย์ที่ช่อมอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่รู้จักในบรรดาคนที่อาศัยในปาเลสไตน์น้องครั บ, รบเราจะเข้าใจเรื่องนี้ก็เพราะอะไรครับแต่ที่จริงแล้วในทางโบราณคดีนั้นเมื่อคนขุดลงไปในดินนะครับบางคนจะเจอของที่มีค่าครับเพราะเหตุที่ว่าในสมัยโบราณก่อนหน้านั้นนะครับอาจจะร้อยปีพันปี นะครับก็จะมีอรารยธรรมที่อยู่ใต้ดินกับอรารยธรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับหรือของที่อยู่ใต้ดินเหล่านั้นนะครับก็เป็นของที่มีค่าจึงเป็นเหตุที่ทําให้เรารู้ว่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนั้นมันมีคุณค่าขนาดไหนเพราะมันเป็นไปได้ครับดังนั้นเองบทบัญญัติของคนยิวที่จะช่วยเราเข้าใจเบื้องหลังคาอุปมานี้ก็คือว่าสิ่งที่พบ จะเป็นของคนที่พบครับสิ่งใดที่ใครพบเขาจะต้องประกาศให้รู้ทั่วกันและเขาจะได้เป็นเจ้าของเป็นสมศักสธิ์ดังนั้นเองคนนั้นที่ได้ซื้อนานั้นเพื่อจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่คนพบด้วยคุ้มทรัพย์นะครับก็เป็นสิทธิของเขาครับทำให้เราเห็นถึงบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณที่เะียชูต้องการให้เรารู้ต้องการสอนเราก็คือว่าเราจะต้อง ให้ความสําคัญของชีวิตฝ่ายจิติญญา น, นั้นสูงที่สุดเราจะต้องให้ความสําคัญของแผ่นดินสวรรค์นั้นสูงที่สุดสูงค่าเหมือนกับขุมทรัพย์ที่เราไปเจอเพราะฉะนั้นชีวิตของเราครับเป็นชีวิตที่พระเยซูได้ท่งผีพระชนชีพไถไว้และชีวิตของเราพระองค์ก็ได้ให้แผ่นดินสวรรค์มาเป็นของเราดังนั้นเองเรา จึงควรจะเห็นคุณค่าของแผน่นดิสวรคให้สูงส่งและสูงสุดครับเพราะเหตุที่ว่าเป็นขุมทรัพย์สำหรับตัวของเราในขณะเดียวกันครับก็เป็นขุมทรัพย์ที่เราควรจะแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจใและเป็นความประทับใจมากขุมทรัพย์ที่เราเจอครับเราควรจะแบ่งให้คนอื่นนั่นหมายความว่าเป็นดินสวรรค์ ที่อยู่ในเราเราจะต้องแนะนําคนอื่นๆให้มารู้จักแผ่นดินสวรรคนี้ด้วยนั่นก็คือการประกาศข่าวประเสริฐและความรอดของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะสรุปในวันนี้จากคําองคมาของพระเยซูเรื่องอุ้มทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เป็นเหตุที่จำไพ่เราทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าชีวิตฝ่ายดินแานและแผ่นดินสวรรค์ที่พระเยซูทรงมอบให้กับเรานั้นเป็นการันตีความรอดของพวกเรา ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องเอสียสละสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราสร่พสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเราจะต้องให้กลายเป็นนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่มาในชีวิตของเราขอบพระเจ้าทรงอุยกรณ์พี่น้องเซี่กทุกท่านมาเอน